ครูสุวรรณปมะคุณหลวงพ่อคำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2465ถึง2544 แล้วพระพุทธเจ้านั้นจะตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้ก็คือตัวทุกข์กับตัวสมุทัยนั่นเองเป็นทุนเป็นรอนสร้างพระสิทธถราชกุมาร ให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คืออารมณ์แห่งทุกข์เมื่อเราพิจารณาไปแล้วหนังที่ห่อบนศีรษะที่ผมเกิดขึ้นอาศัยก็เป็นทุกข์ ไม่มีแล้วร้อนรนทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยการทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่การเรามีมาแล้วเรามาทำประโยชน์ได้ แต่ก็ยังคลายเครืองทุกร้อนบางทีอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาโดนบันดาลให้เราเกิดความทุรนทุรายขึ้นมากว่านั้นอีกเช่นหัวเป็นกลากศีษะเป็นเกลื่อนเป็นแผล อาจจะเป็นทุกข์เพราะสีรระเป็นทุกข์ในผิวหนังของเราลึกจากผิวหนังลงไปมีเส้นประสาทสำหรับเดินผ่านกระโหลกสีสระ ข้างนอกมีเส้นแดงบ้างเส้นเขียวแดงเขียวแดงบ้างแล้วมีลมสำหรับเดินผ่านบ้างแล้วมีน้ำสำหรับไหลไปตามเส้นโลหิตบ้าง แต่และสิ่งแต่และอย่างนั้นมนุษย์ของเราเอาไปทำอะไรไม่ได้ถ้าเราแวะมาเราดึงออกมากองไว้ในจานแห่งใดแห่งหนึ่งเสีย เส้นโลหิตเล็กๆกับเส้นโลหิตใหญ่ๆมากองไว้ก็เหมือนกับไส้เดือนที่เราเก็บมาใส่จานเอาไว้เส้นแต่ละเส้นที่เราออกกลางไว้ กองไว้ก็ดีก็แสดงว่าแต่ละเส้นนั้นถ้าเรามองดูด้วยตาก็น่าสะอิจเอเยนว่ามนุษย์ของเรา ทำไมจึงร้องไห้ปวดศีรษะบางคนร้องไห้กับเส้นที่เราเห็นอยู่ถ้าเราร้องไห้เอาของเหล่านี้มาเราจะเอาไปทำไม เพราะเสนั้นประกอบไปด้วยโลหิตประกอบไปด้วยสีสันต่างๆเราจะร้องไห้เอาไปทำไมเราจะหวงเอาไปทำไม ก็เพราะเราหวงแขนขี้ร่ณีมีเท่าไรก็เก็บหอมรอมริบมาเพื่อทำนุบํำรุงเอาไว้แต่ถึงทำนุบํำรุงเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใหญ่ดี ต่อมนุษย์ที่เขาบำรุงก็คือสัจธรรมผู้พิจาจรณากายานุปัสสนาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยกกายขึ้นมากำหนดเราจะเห็นตรงไหนก็ต้องรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อเราจะดูในศรีรษะของเราถ้าเราคล่องจิตใจของเรามั่น เห็นว่าพิจารณาได้ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามารบกวนเมื่อพิจารณาแล้วก็ว่าการมีผมนั้นเป็นทุกชนิดหนึ่ง หนึ่งก็รวมแล้วว่าการพิจรารณากายานุปัสสนาก็รวมเข้ามาในทุกข์อีกด้วยก็ถูกพระไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้า พูดถึงเรื่องของกรรมฐานจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติมรณานุสติก็ดีก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ถูกไปทั้งหมด ก็คือผู้พิจารณาเห็นหนังเห็นกระดูกไม่เที่ยงเห็นกระดูกไม่ใช่ของมนุษย์เราไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชายเหล่านี้เป็นต้นก็แสดงว่าความเห็นอันนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ได้พวักพวนจิตใจไม่ได้สงสยัย ที่มันสงสัยก็เพราะมันยังไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้นั่นเองเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปรากฏเข้าแล้วจิตใจก็จะละสิ่งต่างๆหมดในโลก รสิ่งในโลกนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มันก็มีหัวมีท่าสีดินน้ำไฟลมอยู่ทั่วโลก เราไปพิจารณาในบนศีรษะของเราก็พร้อมพร้อมที่จะมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่แล้วถ้าเรายังหายังต้องการธาตุสี่ ดินน้ำไฟลมอยู่ดินน้ำไฟลมอื่นก็ไม่มีวิเศษวิโสอะไรเหมือนกับดินน้ำไฟลม ที่เรากําลังเพ่งกําลังกําหนดอยู่นี้เองเมื่อพิจารณาอย่างนี้พิจารณาไปพิจารณามาผลประโยชน์เราไม่พูดผู้ที่เห็น ผู้ที่รู้มันจะรู้เองเห็นเองเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปปรากฏว่ศาศีรษะของเราแตกเพล่ก็หายพริบไปในพริบตาเดียว จิตใจก็ปราศจากอุปทานไปตั้งอยู่ส่วนหนึ่งของจิตไม่ได้มีอะไรเข้าไปเสียแทงไม่มีอะไรไปเจือปนไม่มีอะไรเข้าไปรบกวน ก็แสดงว่าจิตนั้นเป็นอัปปะมาสมาธิก็ได้จัดเข้าไปในจิตที่มั่นคงถาวรพิจารณาไม่ให้ทะเยอทะยาน เห็นตรงไหนพิจรารณาตรงนั้นแต่เห็นไปถึงไหนให้ปรงอนิจจังไปถึงนั้นผู้พิจรารณาทุก ก็ให้ปรงทุกไปถึงนั้นไปเห็นตับก็ว่าตับเป็นทุก์ตับเป็นอนัตตาเห็นกระดูกก็เห็นว่ากระดูกนั้นเป็นอนิจจัง กระดูกเป็นทุกข์เป็นต้นไปเห็นตรงไหนตั้งสติตั้งปัญญาเพ่งพิจารณาไปเรื่อยๆ ไม่ให้ลูกลี้ลุกลนไม่ให้รีบเร่งไม่ให้รีบร้อนอย่าไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราให้พิจารณาสักแต่ว่า เท่านั้นอย่าไปยึดไปถืออย่าไปหวงไปแหน่อย่าไปเกลียดไปชังยินดียินร้าย เพราะฉะนั้นการอบรมกรรมฐานพิจรารณากายานุปัสสนาก็เหมือนกับปลูกปัญญาเราพิจรารณาเนื้อหนังก็แสดงว่า เราสร้างความไม่หลงให้เกิดขึ้นเมื่อความไม่หลงเกิดขึ้นแล้วความโลภก็หมดไปความโกรธก็หมดไปเพราะโกรธ กับโลกเป็นบริวารของความหลงถ้าไม่หลงเสียอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่หลง ชีวิตก็ไม่หลงการกระทำก็ไม่หลงทำการนึกก็ไม่หลงนึกการคิดก็ไม่หลงคิดการพูดก็ไม่หลงพูด เมื่อหมดความหลงไปแล้วก็แสดงว่าหมดหน้าที่ที่จะต้องทำโกรธกับโลกก็ไม่ต้องไปละละแต่เพียงความหลงอย่างเดียวก็หมดทันที